ยมเยอะทุกวันวันนี้พวกขาประจำหายไปส่วนหนึ่งไปดักหลวงพ่ออยู่สุรินทร์อีกแล้ว <c oughs> ทางสุรินทร์จะแปลกอย่างท่านจะเอาธรรมะเป็นหลักคนสุรินทร์เนี่ยนะมีลักษณะเด่นซึ่งที่อื่นไม่เคยเห็นเลยเขาถือธรรมะเป็นใหญ่จริงๆอย่างโยมเนี่ยเรียนกับพระนะไม่เห็นด้วยนะยกมือเถียงเลยนะ ขออนุญาตขออการไม่เห็นด้วยนะแล้วบางวัดเขาก็ต้องแยกนะวัดส่วนมากผู้หญิงนั่งข้างหนึ่งผู้ชายนั่งข้างหนึ่งอะไรยเงี้ยที่สุรินนี่ไม่มีเลยใครมาก่อนนั่งหน้ากลับข้างกับคนกรุงเทพนะคนกรุงเทพใครมาก่อนนั่งหลังนคนสุรินจะมาเรียนธรรมะเนี่ยใครมาก่อนนั่งหน้าเลยผู้หญิงผู้ชายเด็กอะไร เอาธรรมะเป็นใหญ่จริงๆทนั้นนี้ก็มันก็ไม่เหมือนธรรมเนียมที่อื่นเขาแต่ละวันสอนชินหมดเรื่ยวหมดแรงทุกวันนะหลวงพ่อเมื่อก่อนเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดบอกว่าอย่างหลวงปู่หลุยนะท่านเคยพูดเลยบอกทุกวันนะท่านถูกพระถูกโยมมากินเลือดกินเนื้อท่านฟังตอนนั้นไม่เข้าใจนะมากินเลือดกินเนื้อยังไง ตอนนี้เข้าใจแล้ว <c oughs> คือพลังแต่ละคนนะมันมีพลังงานมีพลังของชีวิตพลังลมปราณอะไรงี้มันมีอยู่ถ้าใช้เยอะๆนะพลังมันก็ตกการสอนกรรมฐานไ ม, ไ, มไม่เหมือนเลคเชอร์เลคเชอร์เตรียมไปแล้วก็พูดพูดไปปีหน้าก็มาเติมอะไรอีกหน่อยหนึ่งก็อีกรุ่นหนึ่งก็สอนเหมือนเดิมอีกแล้วนะเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆ มันไม่เหนื่อยอะไรหรืออย่างเวลาเทศนะเทศเล่านิทานชาดกเล่าอะไรไม่เหนื่อยหรอกนะที่เหนื่อยที่สุดเลยคือตรวจกันบ้านงานตรวจกันบ้านเป็นงานยากมากนนี่ต้องใช้ความสังเกตใช้แรงทั้งสิ้นเลยนี่วันหนึ่งวันหนึ่งหลวงพ่อตรวจกันบ้านสามสี่สิบคนนะมันมันเลือฝืนละอาทิตย์หนึ่งให้สี่วันเนี่ยสุดขีดละวันหนึ่งเทศสามรอบนะ รอบเช้านี่รอบหนึ่งกินข้าวแล้วตรวจการบ้านอีกรอบหนึ่งแล้วก็คุยกับพระอีกรอบหนึ่งคุยกับพระแล้วก็พระบางองค์ท่านก็ดีดีนะอย่างท่านจันกฤิท่านดีท่านตั้งออกตั้งใจจริงๆนะท่านไม่ถือเนื้อถือตัวท่านพระผู้ใหญ่มากนะระดับของท่านต้องเรียกว่าพระมหาเถระท่านยี่สิบพรรษาขึ้นไปแล้วแตนะ่ท่านเรียนด้วยใจของคนที่ปรารถนาธรรมะ โอ้บางคนบางองค์นะเหลือฝืนเลยเวลาเรียนกรรมฐานเนี่ยถ้าใจต้านนะถ้าใจต้านเนี่ยแล้วเราอยากให้เขารู้เรื่องนะจะเหนื่อยที่สุดเลยพวกที่เป็นพิทยากรจะรู้สึกใช่ไหมเวลาใจต้านแล้วเราจะอยากให้เขาเข้าใจเหนื่อยต่อไปหลวงพ่อคงไม่ไหวใครต้านหลวงพ่อก็ทิ้งเลยนะ ธรรมะเวลาถ่ายทอดกันนะมันมีธรรมะมีคําอยู่คำหนึ่งว่าถ่ายทอดจากจิตสู่จิตถ้าจิตของคนแสดงธรรมะถ่ายทอดธรรมะออกมาแล้วเนี่ยคนฟังต่อต้านธรรมะจะสะดุดทันทีเลยมันฝืนฝืนตัวนี้แล้ถ้าฝืนจะให้เขารู้เรื่องให้ได้นะมันเหมือนกินเลือด ก, กินเนื้อกันจริงๆมันทุ่มพลังออกไปนะ บางคนมันก็ดือด้อนะประเภทไม่รู้เป็นกรรมพันธุน์หรือเปล่ามดื้อเส้นใหญ่พวกดื้อพวกติดสมถะพวกดื้อแต่พวกที่หนักกว่าพวกติดสมถายังมีอีกพวกหนึ่งคือพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคิดอย่างเดียวเลยสอนให้ดูกายดูใจไม่ดูหรอกนะจะคิดอย่างเดียวพวกนี้ก็ดื้อมากต้านต้านอย่างแรงเลยใจมันไม่ยอมดูสภาวะ ตอนหลังๆครูบาอาจารย์ท่านทิ้งหมดนะเพราะท่านแก่ขึ้นท่านสู้ไม่ไหวคนในสอนญากก็ทิ้งไปก่อนเอาไว้ค่อยไปเรียนกับพระสีานเนาะศาสนานี้คงไม่ทันนะพวกเด็กๆ เ, เรียนง่ายหน่อยเด็กมันไม่ดือ้อเด็กนะมันมีใจที่เปิดกว้างในการเรียนรู้พวกเด็กๆมันไม่ค่อยรู้อะไรมา ก, ก่อนมันเปิดกว้างยันเด็กเรียนกรรมฐ า, านนะง่ายกว่าผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่บางคนโอ้ยมันดื้อเซลลจัดอะไรเงี้ยเรียนไม่ได้อย่างไปที่โรงเรียนอาจารย์สุปนะเห็นนะเด็กเก่งๆเขาเยอะเลยเด็กตัวเล็กตัวน้อยมันถามมันเผลออย่างเงี้มันเพ่งอย่างเงี้มันรู้อย่างเงี้ยโอ้ยน่าฟังใจของเด็กๆนะั้นเป็นใจที่เหมาะกับการเรียนกรรมาฐานที่สุดมันใจใจที่เปิดกว้างใจที่พร้อมกับ ก, บการเรียนรู้ ถ้าใจที่มีแต่ของเก่าความเชื่อเก่าๆความคิดเก่าๆความเคยชินเก่าๆยังเคยชินที่จะเพ่งอะไรเงี้ยรับของใหม่ ย, ยากสัมพันของเซนเฮ้ยบอกชาล้นถ้วยรับของใหม่ไม่ได้แต่ถ้าเปิดใจให้กว้างนะธรรมะจะเข้าไปสู่ใจของเราอย่างรวดเร็วเลยฟังหลวงพ่อพูดไม่สําคัญเลยนะหลวงพ่อพูดไปอย่างนั้นเองแต่ธรรมะจริงๆเป็นถ่ายทอดด้วยใจใจกับใจสื่อกัน ทำใจให้สบายฟังไปเล่นๆแล้วจะพบความอัศจรรย์ของธรรมะในเวลาไม่นานเลยนะเจะเข้าใจมันเหมือนเราเปิดโลกธาน์ใหม่ขึ้นมาเวลาเราไปอ่านพระไตรปิฎกหรือไปฟังธรรมอะไรเนะี่ยความรู้ความเข้าใจของเราจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยเราจะเข้าใจธรรมะกว้างขวา ง, วางรวดเร็วมีหลายคนนะบอกมีพระก็มาบอกเหมือนกันศึกษา ตหรับตำรามามากมายเรียนอภิธงอภิธรรมเรียนอะไรมาเยอะแยะเลยพมาฟังหลวงพ่อจนจิตตื่นขึ้นมาเนี่ยความรู้ความเข้าใจันเปลี่ยนไปหมดเลยการเรียนนี่ง่ายกว่าเก่าเยอะเลยมันเรียนโดยการเห็นสภาวะจริงๆแล้ง่ายญาติโยมจำนวนมากนะเรียนกับหลวงพ่อบางคนไม่เคยมาหรอกในเวลาไม่กี่วั น, นใจก็ตื่นขึ้นมา จิตตื่นขึ้นมาโอ้ชีวิตเปลี่ยนไปหมดเลยนะธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์มากนะถ้าศึกษาให้ดีอย่าดื้อแอย่าเอาความคิดความเห็นของตัวเองมาใชนะ้ลืมคอนเซปต์เก่าๆซะคอนเซปต์เก่าๆส่วนใหญ่มันไม่ถูกหรอกถ้าถูกคงบรรลุมรรคผลนิพพานไปในเวลาอันสั้นแล้วนะถ้าลืมไปนะแล้วก็เปิดใจเรียนสังเกตไปวิธีเรียนธรรมะไม่ใช่นั่งฟังนั่งคิดเอา วิธีเรียนธรรมะต้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกกายรู้สึกใจอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจแค่รู้สึกรู้สึกนะถ้าเราแค่รู้สึกกายรู้สึกใจอยู่ใจมันจะตื่นขึ้นมามันจะเห็นกายทํางานไปกายนี่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกที่ทํางานอยู่ตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็เหมือนกันถ้าใจเราตื่นขึ้ น, นมาเราก็เห็นจิตมันทํางานไป เดี๋สุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทํางานไม่นานใช้เวลาไม่นานปัญญามก็เกิดละตัวตอนอะไรไม่มีจริงหรอกมีคนมาส่งกันบ้านหลังๆนะเริ่มเห็นเยอะเลยว่าตัวเราไม่มีนะถ้าเห็นจนใจยอมรับความจริงได้ก็ได้โสดาแล้วไม่ได้ยากเท่าที่คิดนะพวกเราไปวาดภาพพระริยะบุคคลไว้ผิดมนุษย์มนานมันเลยยากมาก อย่างวาดภาพพระอริยะเนะยิ้มยังไม่ได้เลยถือว่ามีกิเลสยิ้มอะไม่รู้ไม่ได้เรียนอริธรรมจริงอย่างพระอราหันยิ้มได้ไหมมีจิตที่ทําให้พระอราหันยิ้มได้มีอยู่ห้าดวงมีจิตอยู่ทั้งห้าดวงที่ทําให้ท่านยิ้มได้ไม่ใช่ท่านยิ้มไม่ได้เพ ร, ะร า, าระอรหันต้องซื้อบื้อะจะทําอะไรก็ไม่ได้นะเดี๋ยวกิเลสแทรกต้องนั่งนิ่งๆเบบนี้ย ถ้าขยับตัวมากเนี่ยเป็นการสนองกิเลสโอ้ถ้าเงินคล้ายๆควรเป็นอมภาษไม่ได้ทุรนทุรลายทุเรศอย่างนั้นหรน อ, าาน อ, นน อ, อกนะอยู่ที่ใจเรานี่เองมันเข้าไปเกาะเกี่ยวอารมณ์ไหมหรือใจมันเป็นอิสระจากอารมณ์วาดภาพโสดาไว้ยากยากไม่รู้เรา่าพรพระโสดาบันเป็นยังไง พระโสดาบันไม่ได้ต่างอะไรกับปุถุชนเท่าไหร่หรอกพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ามีตัวเราเท่านั้นเองละความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ก็เป็นพระโสดาบันเราไปวาดภาพไปโอ้ยสูงส่งเป็นบุคคลในอุดมคติโถพระโสดาบันในกิเลสท่วมหัวอย่างนางวิสาขาหไหมหลานสาวตายร้องไ ห, ห้โฮโฮเลยไม่อายใครเลยเดินร้องไห้มาจากบ้านมาประจากษ์ป่าช้านะเดินมาวัด ร้องห่มร้องไหนะ้กิเลสก็มีนะน่ใช่ไม่มีพระโสดาบันต่างกับพวกเรานิดเดียวคือพวกเรารู้สึกว่ามีตัวเราอยู่คนหนึ่งในกายในใจนี้มีตัวเราพรนะโสดาบันรู้สึกเลยว่ามันไม่มีตัวเราในกายนี้กลวงๆไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุจิตใจนี้ก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวเรา ดูลงมาทีไรว่างๆไม่มีตัวเรากลวงๆว่างๆไม่มีเราไม่มีเราในกายในใจนี้ไม่มีเรานอกเหนือกายนอกเหนือใจนี้นี่แหละพระโสดาบันการที่ท่านเห็นว่าไม่มีตัวเรานะท่านก็ละสักกายทิฏฐิละสังโยชน์ตัวที่หนึ่งได้ไม่มีเราก่อนที่ท่านจะมาละสักกายทิฏฐิได้ี่ท่านจเจริญสติปัฏฐานมาล้ววิปัสสนากรรมฐานมาละ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยๆมาจนกระทั่งบรรลุพระโสดาบันงั้นท่านไม่ลังเลสงสัยเลยว่าเส้นทางเดินไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคล น, นั้นเดินไปยังไงท่านไม่สงสัยไม่มีความลังเลสงสัยไม่ปฏิบัติอะไรแบบรูปๆคลำๆแล้วว่าทําอย่างนี้น่าจะดีทําอย่างนี้น่าจะดีพวกเรามีรู้สึกไหมพวกเรารู้สึกในนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง เวลาเราจะทํากรรมฐานแล้วก็คิดตลอดเวลาเลยทําอย่างนี้น่าจะดีทําอย่างนี้ไม่ดีทําอย่างง้นจะดีคิดจะทําตลอดเลยส่วนท่านผู้เดินไปสู่ความเป็นพระย่าบุคคล น, นั้นท่านไม่ได้ทําอะไรท่านรู้กายทําความเป็นจริงรู้ใจทําความเป็นจริงเราะฉั้นท่านไม่มีศิลละตาประมาทนะไม่ได้คิดว่าทําอย่างนี้แล้วจะดีถ้าทุกวันกินเคี่ยวบ๊วย10เม็ดแล้วจะดีอะไรเงี้ยหรือกินแต่ข้าวฟ่างอย่างเดียวแล้วจะดีนะ กินเจแล้วจะดีนี่เรื่องกินอีกพวกหนึ่งเรื่องนอนนะไม่นอนเลยแล้วจะดีนอนบนสิ่งที่สกปรกแล้วดีนอนบนสิ่งที่แหลมคมแล้วดีอะไรเนี่ยหรือนอนมากๆแล้วดีนอนไปเรื่อยๆนะให้เต็มอิ่มแล้วจะดนะีเวลามาภาวนาก็เอาจิตไว้ตรงนี้ถ้าจะดีเนี่ยเอาจิตไว้เหนือหัวนะลอยขึ้นไปเหนือร่างกายแล้วจะดีเอาไว้ที่กลางหน้าอกแล้วดีนะ เอาไว้ที่ท้องแล้วจะดีคิดแต่อย่างเงี้ยคิดแต่ว่าทํำยังไงแล้วจะดีนี่แหละศีลพระตาประมาทแหะงมงายเส้นทางที่บรรลุมรคนิพพานมีอยู่ทางเดียวคือการมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันนี่คือทางสายเอกทางสายเดียวไม่มีทางที่สองเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นแต่พวกเราเวลาลงมือปฏิบัติเราคิดจะทำ ทำยังไงแล้วจะดีทำยงไงแล้วจะดีคิดอย่างนี้ทุกคนนะนะหลวงพ่อแต่ก่อนก็คิดเคยคิดว่าถ้าเอาจิตตั้งไว้ตรงลิ้นปี่ถ้าจะดีมักเคยเห็นกิเลสมันเกิดตรงนี้อะไรเงี้ยหรือว่าจะต้องทำสมาธิก่อนเข้าฌานก่อนแล้วออกจากฌานมาถึงยางมาดูจิตอะไรเงี้ยสารพัดจะคิดนี่มันงมงายถือศีลบําเพ็ญลดอย่างงมงายเส้นทางที่ไม่งมงายมีเส้นเดียวคือการมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบัน นี่คือวิปัสสนากรรมฐานนี่พอใจของพระโสดาบันนะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันเลยรู้เลยธรรมะนี่เป็นของจริงนะเราภาวนามาตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยจิตใจของเราก็เข้าถึงความเป็นพระสงฆ์ได้จิตของปุถุชนนะนะั่นแหะกลายเป็นจิตของพระสงฆ์ขึ้นมาเพะงั้นพวกเราเป็นฆรวาสก็ตามนะถ้าเราภาวนาเราได้ธรรมะเมื่อไหร่ก็เรียกว่าเราเป็นพระสงฆ์ละ เันเป็นพระสงฆ์เนี่ยมีสงฆ์สอ ง, งจำพวกนะสงฆ์จริงๆสงฆ์จริงๆเนี่ยไม่เกี่ยวกับการเป็นโยมหรือเป็นพระไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยอะไรทั้งสิ้นถ้าใจเข้าไปเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนะไม่มีตัวเรานะใจเราก็เป็นพระสงฆ์ละที่เป็นพระสงฆ์ขึ้นมาได้นะเพราะว่าเข้าใจพระธรรมพระธรรมความจริงก็คือตัวเราไม่มีนะตัวเราไม่มี พอเข้าใจพระธรรมแจ่มแจ้งใจเราเข้าไปถึงความบริสุทธิ์สะอาดเข้าไปเห็นนิพพานตั้งแต่ครั้งแรกเราก็จะเชื่อมั่นเลยว่าพระพุทธเจ้าก็มีจริงๆเพราะว่าธรรมมาที่ท่านสอนมานะเราดําเนินตามจนใจเราเป็นพระสงฆ์ได้งั้นพระโสดาบันจะศรัทธาแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เชื่อมั่นอย่างแน่นแฟ้นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริง พระสงฆ์โดยทางเครื่องแบบเนี่ยเรียกว่าสมุติสงฆ์เพราะงั้นอย่างหลวงพ่อนี้เป็นสมมุติสงฆ์ใส่เครื่องแบบนี้สมมุติว่าคุณโชคชัยเป็นพระโสดาบันใส่เครื่องแบบอย่างนี้หละไว้ผมหน่อยๆ อ, อย่างเงี้ยเขาก็เป็นพระสงฆ์ตัวจริงงั้นพระสงฆ์ตัวจริงไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบหรอกอย่างสมัยหนึ่งพระพาหิยะฟังพระพุทธเจ้าเทศน์พาหิยะยังไม่ได้บวช มาฟังพระพุทธเจ้าเทศแล้วบรรลุพระอราหันต์เสร็จแล้วไปโดนวักวกีดตายไม่ทันได้บวชพวกพระก็มาบอกพระพุทธเจ้าว่าพาหิยะที่พระองค์ไปเทศให้ฟังกลางตลาดนะ่ยตายแล้วพระเจ้าท่านไปเก็บศพม า, ามาเผานะเอากระดูกมาบรรจุใส่เจดีย์ไว้พวกพระก็ช่างเอะใจว่าทําไมไปเอาคารวาสมาเผาเอากระดูกคารวาสมาใส่เจดีย์ ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าว่าพาหิยาเนี่ยเป็นครว่าต์เป็นคฤุหัตหรือว่าเป็นควรจะเรียกว่าเป็นสมณะควรจะเรียกว่าเป็นภิกษุควรจะเรียกว่าเป็นพรามควรจะเรียกว่าอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าพาหิยาเป็นพระอรหันต์สมควรเรียกว่าเป็นสมณะเป็นภิกษุเป็นพรามได้โดยเนื้อแท้ของท่านเองไม่ต้องบวชงั้นกระดูกก็เอาไปใส่เจดีย์ไว้ ไม่ให้คนไปเหยียบไปยำ่ำเห็นไหมว่าการเป็นพระนะพระพุทธเจ้าท่านรับรองแนละ้วไม่ได้เป็นพระเพราะการบวชหรอกการบวชก็เป็นพระโดยสมมุตินะเราภาวนานะเมื่อไรใจของเราเข้าใจธรรมะเราเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้ เราเห็นธรรมมาเห็นความจริงมาได้ด้วยการมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็จะเชื่อมั่นแน่นแฟ้นเลยพระพุทธเจ้ามีจริงนะเป็นผู้สอนธรรมะอันนี้ให้เราพระธรรมที่ท่านสอนนี่ก็เป็นของจริงปฏิบัติแล้วล่วงจากความทุกข์ได้จริงพระสงค์ก็มีจริงๆริงพรใจของเราเป็นพระสงค์เองนั่นแหละเราจะเชื่อในพระรัตนตรัยนี่คือคุณสมบัตินะที่พระสดบันท่านมีอยู่ แรกเลยท่านละความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ที่สองนะท่านไม่ประพฤติปฏิบัติอะไรอย่างงมงายมีแต่เรื่องมีสติรู้กายรู้ใจนะแล้วก็ท่านเชื่อมั่นแน่นแฟ้นในพระรัะลัตนตไตรไม่มีความลังเลสงสัยในพรัะรัตนัตไตรพ า, าท่านเข้าใจอย่างนี้นะศีลอยงท่านจะสะอาดหมดจดขึ้นมาโดยอัตโนมัติท่านไม่รู้จะทำชั่วไปทำไมคนทั้งหลายทาชั่วก็เพื่อเสิร์ฟอัตราตัวตนทั้งสิ้น ท่านเห็นแล้วว่าอัตตาตัวตนไม่มีเรื่องอะไรเราจะต้องทําชั่วไปเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นนะเพื่อจะมาเซิฟสิ่งซึ่งมันไม่มีก็จะไม่ทําความชั่วนะมีศีลสมบูรณ์ขึ้นมาโดยไม่ต้องตั้งใจรักษาเลยแต่ถามว่าเราทําผิดศีลได้บ้างไหมทําได้นะแต่ไม่ได้เจตนาเช่นเดินเดินไปพลาดไปเหยียบเอาตัวอะไรตายเข้าอะไรเงี้ยเป็นไปได้ หรือซุ่มท่ามทำปืนลั่นไปถูกคนอื่นตายอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่เจตนาจะฆ่าเจตนาจะทำร้ายอะไรเนียไม่มีในใจเลยไม่มีสักนิดเลยเราต้องศึกษานะไม่ใช่นึกๆเอาเองฉันอยากจะเพ่งแล้วบางคนเชื่อมั่นเลยนะต้องเพ่งไว้ก่อนมีคนมาบอกหลวงพ่อนะบอกผมดูเห็นทุกอย่างเลยเกิดขึ้นมาผมดูลงไปปุ๊บขาดสะบ้นหมดเลยนี่แหละวิธีของผมดีถลํา ล, ลงไปดู ล้วก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ได้รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะมันถลําลงไปเพ่งเพ่งมันก็หมดนั่นแหละไมความโกรธเกิดขึ้นมาไปเพ่งใส่ความโกรธความโกรธก็ดับเหมือนกันแล้วบอกว่าเห็นเกิดดับเนี่ยบางคนหัวดื้อนั้นเนี่ไออย่างนั้นไม่ใช่แล้วว่าเห็นเกิดดับนั้นไปเพ่งจนมันดับเข้าไปแทรกแซงซะแล้วบางคนมันดือด้อดนะมีนาน า, น า, นานชนิดบางคนบอกให้รู้กายไปรู้กายไปนะ ไม่ได้หรอกผมอยากรู้จิตโอ้มันอวดดีกว่าครูนะบางคนเราก็สอนนะไปดูกระดูกนะอย่าดูอย่างอื่นนะถ้ายังดูกระดูกแล้วยังจะเจริญนะมันก็ไม่เชื่อนะมันไปดูโน่นนี้เป็นปีเลยความจะยอมดูกระดูกอะไรเงี้ยแต่ละคนนะกรรมาฐานมันไม่เหมือนกันหรอกงั้นบอกแล้วอย่าดื้อนะเหนื่อยเต็มทีละแก่แล้ะต่อไปก็ต้องลอยแผลญาติโยมแล้วนะอยากมาก็มา เหมือนครูบาอาจารย์นะตอนท้ายๆครูบาอาจารย์ญาติโยมไปส่วนมากไปกราบๆนะไปเห็นเชื่อนอกเชื่อนใจถาวายของรับพร อ, อะไรเงี้ยไปอย่างหลวงปู่เทศนะท่านก็มีโต๊ะตัวหนึ่งตั้งยาวกว่า น, นี้หน่อยเอาโยมกลุ่มที่หนึ่งมาเข้ามาเอาของมาตั้งนะท่านก็ไม่ได้จับหรอกนะพระก็โยกออกโยกออกม า, าพอถาวายทวถึงเอารับพรหลวงปู่ก็ให้พรยะถาวารีวหานะ ท่านพูดแคเนี้นะไม่นานหรอกแค่ยาถาสับพีอ้าวหลวงปู่จะพักผ่อนแล้วเชิญกลับแค่นี้คนก็พอใจละไม่ค่อยได้เรียนธรรมะนะแต่หลวงพ่อไปนะท่านจะกันไว้พิเศษเลยเวลาเข้าไปหาท่านพระอุปัฏฐาอย่ากันบอกให้ไปนั่งข้างๆก่อนข้างหลังหลวงปู่ไว้ก่อนอย่าถามนะอย่าเพิ่งถามธรรมะให้โยมเข้าไปก่อนโยมเข้าไปก่อนนะท่านปิดประตูลมลดลบเลยปิดกุฏิ อันนี้สอนธรรมะกันให้คนแต่ก่อนเรียนธรรมะมีไม่มากหรอกส่วนใหญ่ทำบุญอย่างเดียวนี่ที่มาหาหลวงพ่อเนี่ยส่วนใหญ่มาเรียนธรรมะนี่เป็นเรื่องดีมากนะแต่ว่าเหนื่อยมากเลยเพระฉะนนเวลาบอกให้ภาวนานะก็ตั้งใจภาวนานะช่วยตัวเองให้เยอะหวังว่าหลวงพ่อจะบอกแล้วก็ปิ๊งบรรลุเลยนะัมันเป็นไ ป, นปนไม่ได้หรอกนะมีเหมือนกันคนที่ฟังฟังแล้วปิ๊งขึ้นในขณะฟังก็มีแต่มันไม่มากหรอก แต่เขาปิ้งขึ้นมาได้เพราะว่าเขาจเจริญสติในชีวิตประจำวันมามากแล้วคอยรู้สึกรู้สึกไปแต่ว่าสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นได้หมายถึงว่าเราจเจริญสติในชีวิตประจำวันจนชํำชองมานั่งรู้นั่งดูดูดดกายดูใจดูกายดูใจไปถึงจุดซึ่งมันสมควรแก่ทำแล้วจิตมันก็หลุดขึ้น็าเองจิต ม, มันหลุดพ้ น, ดพนขึ้นมาหลุดพ้นครั้งแรกก็เป็นพระโสดาบันยละ สัง่งยอด3ตัวหลุดพ้นครั้งที่สองก็เป็นพระสกทาคามีกิเลสจะเบาบางลงใจจะตั้งมั่นมากขึ้นใจจะไหลาตามกิเลสไปน้อยลงเรียกว่ามีสมาธิปันกลางหลุดครั้งที่สนเป็นพระนาคามีใจจะไม่ลหลงไหลตามโลกออกไปอีกละพระโสดานะยังหลงโลกนะหลงๆล ง, ล ง, ลงออกข้างนอกไปพระสกทาคานะีใจตั้งมั่นมากขึ้นหลงน้อยลงออกไปน้อยลง พระนาคาในใจตั้งมั่นเอากิเลสกรรมอะไรมายัว่วในใจไม่ไปใจโน้มโน้มเข้าไปหานิพพานอยากสแสวงหามรรคผลนิพพานดิ้นรนอยู่ภายในไม่หมดความปรุงแต่งภายในส่วนพระอราหันต์นั้นท่านสิ้นความปรุงแต่งภายในสิ้นเฉิงจิตก็ตั้งมั่นโดยไม่ต้องรักษาอีกต่อไปล้ปัญญาก็รู้แจ้งในอริยสัจ ร, รู้แจ้งอริยสัจ การรู้แจ้งอริยสัจนั้นสำคัญที่สุดเลยนะหลวงพ่อพูดไว้เยอะนะมีหนังสือให้ด้วยเรื่องอริยสัจไปศึกษาเอาถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจจะข้ามภพข้ามชาตไม่ได้นิพพานไม่ได้คําว่ารู้แจ้งอริยสัจนะอริยสัจมีทุกข์สมุทัยนิโรธมารการจะรู้แจ้งอริยสัจนะก็คือการเจริญมรรคนี่แหละจะมีสุติมีสติรู้กายรู้ใจแล้วก็รู้ทุกข์รู้ทุกข์ไปเรื่อยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยจนปัญญามันแจ้ง กายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนี่เรียกว่ารู้ทุกข์แกมแจ้งพารู้ทุกข์แกมแจ้งจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปตัณหาคือความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกเรียกว่าลาสมูทไทยคําว่าลาสมูทไทยไม่ใช่ล่าเป็นคลาล์เหมือนที่พวกเราฝึกกันอยู่ตอนนี้พวกเราฝึกตอนนี้พอ ก, กิเลสเกิดใช่ไหมเราก็รู้ทันมันก็หายไปมันหายเป็นคลาล์ๆส่วนของพระอราหันต์นั้นล่าสมูทไทยนั้นล่าแล้วขาดแล้วขาดเลย พราะอะไรเพราะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแนละ้วจนไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเพราะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์คือสมุ ท, ทยัยคือตันหาเนี่จะไม่เกิดขึ้นอีกละคนละแบบนะของเราละเป็นคราวๆส่วนของพระอราหันต์ละทีเดียวขาดเลยแล้วไม่มีอีกแล้ะในขณะที่ใจหมดจากตันหาหมดจากความอยากนะนั้นนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยเพไม่งั้นพระอราหันต์นะ นึกถึงนิพพานเมื่อไหร่ก็เห็นนิพพานอยู่ต่อหน้าต่ตาเต็มบริบูรณ์อย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าต้องไปภาวนากําหนดตั้งนานนะเดินจงกรมนั่งสมาธิไปนานๆแนละ้วจิตวุ้บพอไเห็นนิพพานไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วงั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะก็จะละสมุทัยอัตโนมัติถ้าละสมุทัยได้นิพพานคือนิโรธก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าตตาท่านถึงบอกรู้ทุกข์ละสมุทัยนะแจ้งนิโรธ ขณะจิต ท, ที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธขณะจิตนั้นแหละเกิดอริยมรรคมทุกขสมุทัทยนิโรธมรรคเลยเกิดทีเดียวอริยสัจยากนักหนานะยากยากยงกระทั่งคนทั่วๆไปคิดว่าง่ายพระนน์เคยไปบอกพระพุทธเจ้าว่าค้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมุ ป, ปบาทคืออริยสัจนั่นเองปฏิจจสมุ ป, ปบาท ที่พระองค์ว่าเป็นของยากนั้นได้ปรากฏแก่ข่าพระองค์ว่าเป็นของตื้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นพระนน์ปฏิจจสมบทัทหรื่องเริยสัตว์เนี่ยลึกซึ้งนักตราบใดที่สัตว์ไม่รู้แจ้งนะยังไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราไปรู้บอกเรารู้ทุกไหมรู้กายรู้ใจเป็นทุกข์ถามว่าเราเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์จริงไหมเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ เราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างต่างหากล่ะเห็นไหมไม่ใช่ว่ากายเป็นทุกข์เราเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างต่างหากเราไม่ได้เห็นว่าจิตเป็นทุกข์ไม่เราไม่ได้เห็นอริยสัจนะอย่านึกว่ารู้จักอริยสัจนะถ้าไม่ได้ทํำวิปัสสนาจนแก่รอบจริงๆจะไม่มีวันเห็นอริยสัจได้เลยคือไม่สามารถเห็นได้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์มันจะเห็นแต่ว่าทุกข์บ้างสุขบ้างเมื่อมันยังทุกข์บ้างสุขบ้างมันก็ยังรักอยู่ยังหวงแหนอยู่ อยากให้มันมีความสุขใช่ไหมอยากให้มันสุขมากมอยากให้มันไม่มีความทุกข์มีความอยากเกิดขึ้นอีกเมื่อจิตมีความอยากเกิดขึ้นจิตจะดิ้นรนปรุงแต่งไปเรื่อยจิตยิ่งทุ ก, กข์มากขึ้นมากขึ้นที่แรกทุกข์เพราะมีขันทุกข์เพราะขันมันเป็นทุกข์ต่อมาทุกข์เพราะความปรุงแต่งของจิตนี่มีทุกข์หลายชั้นหลายเชิงใช่ไหมคำว่าทุกข์ไม่ใช่กิกก๊กนะมีทั้งหลายระดับ พระละหันนะท่านเหลือแต่ความทุกข์ในขันแต่ท่านไม่ได้ยึดขันมันก็เลยเหมือนท่านไม่มีความทุกข์ไปด้วยส่วนความปรุงแต่งในจิตนั้นไม่มีท่านก็เลยไม่ทุกข์เพราะความปรุงแต่งพวกเรายัางปรุงแต่งอยู่ใช่ไหมเราก็ทุกข์เพราะความปรุงแต่งที่คิดเรื่องนี้แล้วก็โมโหขึ้นมาคิดเรื่องนี้สบายใจคิดเรื่องนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ว่าอย่างนี้จิตยังถูกปรุงแต่งอยู่ศึกษานะ้าธรรมะเป็นของดีของวิเศษอย่าดื้ๆๆอย่าดื้อมากนัก ความคิดความเห็นส่วนตัวนะเอาโยนทิ้งไว้นอกวัดก่อนนะทั้งพระทั้งโยมแหละบางทีสอนพระก็ทิฏฐิมานะมากนะโยมพักเพียร น, นะทุกวันนี้โยมมีความเปลี่ยนแปลงให้หลวงพ่อเห็นหน้าชื่นอกชื่นใจเป็นจํานวนมากแนละ้วนจะิตตื่นขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคนที่ตื่นขึ้นมาได้หลุดออกจากโลกของความคิดสามารถรู้การรู้ใจได้เนะี่ยคือผู้เป็นแคนดิเดต ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในวันข้างหน้าถ้าเรายังไม่ตื่นนะก็เรียกอะไรภาษาไทยมันคล้ายๆเตรียมตัวเป็นคนซึ่งมีความพร้อมแล้วนะที่จะบรรลุมรรคผลต่อไปมีโอกาสนะเป็นคนซึ่งมีโอกาสยันเรียนไปเรื่อยจนใจมันตื่นขึ้นมาเนี่ยคือผู้มีโอกาสนะมีโอกาสละที่จะบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้แหละ อาจจะได้โสดาสกทาคาอนาคารหันอะไรก็แล้วแต่นะอินทรีย์แก่รอบแค่ไหนแต่อินทรีย์จะแก่รอบไม่แก่รอบนะก็จะเจริญสติไว้นะทำให้อินทรีย์แก่รอบขึ้นมาอเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับท่านอาจารย์